สึกว่าความหลูโบล้านมันไปพวกชาวไฮชาวหน้านี่ยมิแนวสังเกตหลายอย่างเลยขันเห็นงูมู้จงอ่างไข่จริงจีเขาก็บอกว่าฝนชุโบโต๊กเนะี่ในช่วงเห็นไข่มู้จงอ่างมู้จงอ่างฟักไข่ขันเห็นไก่ปลาฟักไข่ขึ้กันขันกําลังหนาฝนกําลังที่ดำไฮดำหน้าเห็นไก่ฟักไขนะ่เนี่ฝนบปต๊กตกช่วงเนี่ยสินสัตว์มันหูแสดงว่ามันช่วงที่มันว่างฝนนั่นอนะ ไก่มันไข่ขึ้นมามันก็ดจาฟักไข่ของมันมันหูเราเพราฝนจิบตกันนนมันคอยฟักไข่ของมันอันนี้คนโบลานเขาสอบสังเกตว่าบาดห้าฝนสีตกบาดขั้นฝนสีตกนี่พวกมดมันไปหมกมดลิ่นตัวใหญ่ๆแล้วก็มดต่างๆนีมันจะขนไข่ขึ้นไปทั้งสูงมันไปข่าบไข่ขึ้นทั้งสูงก็ว่าขาบไข่ขึ้นทั้งจอมปวกนี่ใช่ไหม ขันขันขันหัวขึ้นทั้งสูงมันออไปหันหนาทั้งสูงอันนึงโอ้เราว่างเนอะท่านฝนสิตกไปบริษัทบังคัดพวกหมดพวกหยั่งคาบไครขนออกจากทีลุ่มแล้วขันนาวาัดขั้นพวกขั้นพวกหมดนี่ขนลงไปนี่ทีตำมันไปไปทีลุ่มลุ่มบางที่มันชุ่ ม, ช, มชื้นเขาว่าโอ้ยฝนสีแรงเนอะท่านแสดงว่าหมดมันขน ใคคนห้างมันลงไปหมองตําเพื่อมันจะได้กินน้าเพื่อจะได้ใครของมันจะได้ชุ่มชื่นฝนสิเวีนวักไปเดาะแง่จังสี่แล้วมันไปก็แมนแมนคลองผู้ถอยเนี่ยก็สืบทอดกันมากเลยเนี่ยเราความรูโบรันมันไปบานหาย่ามเดินหกเดือนเจ็ดมันฝ้าสีไม้ฝนสีไม้สีมาเนี่มันไปฤกดีเริ่มเ่้าไม้ฝนไม้เดินหก เดินพฤชสภาพมีถูนาฝนยังว่ดท่านมากแล่นหน่อยมันมีได้ป่ะเนี่ยทองหัวปูมือเนี่ยมันไปแล่นหน่อยเน่าะม่าจะขึืนกว่านเนี่ยบานให้ไปจับจับแล่นน่อยเก่งมาจับมากเบื้องหางมันน่นมันไปอแล่นหางแล่นก็บอกได้วันนไปเป็นหมอเป็นหมอเดาของโบรันหางแล่นเนี่ยเขบอกว่าต้นปีคื อ, คอต้นหางของมันมั่นไปข้ามันการ หลายๆเนี่โอ้เดือนนี้เขาว่าเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ฝนชะเลงอหางมันการไหลเหมือนเดือนเจ็ดเดือนแปดหางมันดำเหมนเนี่ยฝนชะแห้งฝนสะเล่งเดือนนี้นะบัตระหางปลายหางมันเหมือนปลายหางมันแดงเหมืนไปโอ้เดือนสิบเอดเด้อท่านให้สูขักนณ์นำไปเด้อท่านหางแลนบอกเลยว่าปลายหางมันเนี่ยมันแดง ฝนสะแรงปลายปีได้ปีนี้วะฉันขั้นหายไปหางมันดำมันเอาไปแสดงฝนสิลากหลาปีนี้หางแรนบอกนี่แต่ลงพ่อลงพอก็มีแต่ฟังมันเอาไปผู้เฒ่าว่าอย่างฉันเนี่ยลงพ่อก็เป็นลูกเป็นหลานมันเอาไปลูกหลานบ้านนอกมันไปลงพอก็ฟังคือกันม่นเอาไปคือคือความผู้เฒ่าคือกันนะวะคือกันกับหมอดูหมอเดาอย่งว่านั่นนะ ขั้นไปหาหมอดูหมอดูกี่ตัวอะไรก็คือคือเดินออกไปบอาวอย่างก็คือคือเดนอไปบอาวให้มันคือเดินออกไปบ่าวคือบ่าวให้มันคือเดินไปเจ้ามาหนิเจ้าถือหมากัดเจ้าสิบน้าบ่าวเคยมากัดเนาะสิบบ่ากัดก็เห่าแล้วสิบมันก็บอกคอยเห่านาคอยไปใส่ก็ได้บ่าเฮาก็เลี้ยวเบิงแล้วเป็นยังว่าเอาจมันถือคนเดินไปหมาโบเลี้ยวเบิ้งก็พดไปแล้วแม่บ่าวคนเหา ออืขนาดหมาโบาเลียวเบิ้งกันออกไปนี่แหละหมอดูหมอเดาเนะป็นจั้งสันนะอะว่าวให้มันมถื่อเบ้ันออกไปว่าจนมันถื่อเก็บใจคนผู้ไปเบิ้งกันออกไปเพราะนั้นจะไปหายเสื้อเด้อเสื้อกำเสื้อกมเสื้อกๆๆารกระทําของเฮ้าเนนะ่ะทําดีได้ดีทําซัวได้ซนะัว่เฮ่ทําซัวได้ซัวทําดีได้ดีกันออกไปบางคนก็จะเถียงขึ้นมาเฮ้โบแม่ดอกเศ้าเบาได้แล้วเป็นยังเอา้าผู้แท่นน่ะนะ หูจักจีเหล่าถ้ำส่วนไปหาจ่างข้นบาหาแล้วก็ยังได้ดีเนี่ยทีเป็นผู้แทน่นบาหาคนที่เปจ่างล่องๆว่าบุไดเป็นผู้แท่นนะสิเนี่ยคนทําดีบุได้ดีได้มาหาผู้ทําำส่วนเนี่ยหูจักจีเหล่าการไปซื้อเสียงเอาเงินไปซื้อเสียงชาวบ้านมาหาแล้วที่เป็นผู้แทนเนี่ยหลวงพ่อเศร้าเบาได้แล้วเขาบอยเฮาเบาไปยังสี่แล้วมาหาได้เป็นผู้แทนกันเถอะบัดหาเขา จับได้ไล่ท่านบาส น, นี่เขาไล่เบี้ยเขามากกัหนหอยนางจุกปุกนําตายพลังนําตาไหลขึ้นกันเออเสียเงินไปเท่าไหร่กัมห้ผลพระพุทธเจ้าเพลินบานกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งที่มั่นชัวรอย่าไปหาเห็ุเห็ุเข้าไปแหลมันก็เดือดร้อนเจ้าของ อไปยุบโอหูก็าตามไปป่นไปรักไปจีบไปขโมอยอไฟวะโจของฉลาดนี่นแหละทีแรกบาทางก็จับไลยจับได้ไล่ท่านบัตเนี่ยเขาจับเขาคุกซะบาตเนี่ยตาเหลือมแมปแมปอย่างคนน่ะทั้งทีเงิ่อนข้าทรัพย์สมบัติหามาไวลวงหลายกระจุยกระจายไปมดัดชีวิตนันท์ทางชีวิตหล่มละลายไปเลยออกมากกลับมาจะาคุกเพื่องหนา้าเพิงตาไาปกระปทัวบัตรอยากอายเทศบ้านเท้เมืองเขา แน่ละ่ะกรรมชัวมันให้ผลยังสัน่นเพราะนั้นกรรมชัวร์ในยาเห็ดเห็ดที่มันชัวรเห็ดแต่แนวดีๆแอบอยู่ในขอบในขั้วในบานในเมืองเห็ดคือบานคือเมืองของเพิผนทำมากค่าขายถึงจะมีหน่อยมีมากก็เออพยายามป ร, รประคับประคองของไปให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใช้ในรักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันสอนยังสัน่นเด้ให้มันขยันนะเด็เงื่อนมาแล้วให้แบงเป็นส่วน ให้รักษาเอาไว้ให้แบ่งเป็นชวนๆ่วนหนึ่งก็ให้เก็บไว้ส่วนนึ่งก็ให้เลี้ยงชีวิตเจ้าของชีวิตประจำวันชวนนึงก็ให้บูชาติเทวดาขึ้นให้พ่อให้แม่ให้ภูมระคุณส่วนหนึ่งก็ให้ทาบุญทําทานไปแน่เพื่อกินในอนาคตโมเมนเกิดมาแต่ชาติเดียวตายแลยสูญโมแมนต์้คนเท่าเกิดมาเลย ชาตินาเกิดมีอีกอยู่คณะว่าห้าบาัได้สร้างสมบุญเอาไว้บ่วได้ทำบุญเอาไว้เกิดมาพบหนายชาตินาเกิตกทุกข์ได้ยากสิตํานรรมนิภัยะบาดไงสิทสิตรรมน้ผู้นันผู้นีก็บัได้เน๊ะเป็นอยังผููนันจังรวยผู้นีจังจนเกิดมาในทองแม่เดียวกันก็ยังบวกระือกันนะอยังคนในขังพระพุทธเจ้าอเศรษฐี เป็นเศรษฐีแล้วสี่บอกลูกไปบวชวันไปอคือมันมีท้องคําพุทธคืนในหลังบา้านวันไปจนได้เป็นเศรษฐีอวันไปผมมีพุทธมีอวันไปแต่พุทธคืนด้วยบุญเด็เอพดขธคืนด้วยบุญในข้างพระพุทธเจ้าเห่าเนี่ยวันนี้สองผัวเมียก็เลยว่าให้มอบไปลูกจะเนาะมอบไปลูกเดี๋ยวพอผมจะไปบวชแด้วแั่ผมได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเลย ร่างกายสังขารเนี่เป็นของบะเทียงแทะแน่นอนจักสิลมสีตายเมือ่อใดเขาถืมาเ ฝ, ฝ้าสมบัติอยู่นี่ก็เ ฝ, ฝ้าไปเดือตายแล้วก็เอาไปนำบ่ใดเพราะนั่นมิทธธรรมคุณงามความดีเท่านั้นอ่ะที่จะติดตัวไปนำไดเพราะนั้นผมจะไปบวชให้เจ้าอยู่บ้านไดนะ้กับลูกเนดะ้ทั้งแม่บ้านโอ้ยเป็นเจ้าไปบวชคอยก็ไปบวช ข, ขึ้นกันเนะี่ยจิตมาหาธาตุข้ากี่เธอโทมน้ำลายให้คอยรักษาหมอแลอ้วบ่คอยก็จิไปบวชขึ้นกันกับเจ้านะ่ะ คอยก็ติไปบวชเป็นภิกษนุนีกับแม่ของพระพุทธเจ้านั่งโคตมีม่วะนีะเจ้าจะไปบวชก็ไปกันคอยกฤติไปบวชขึ้นกันนั่นแหะไหวกันที่ไปบวชจังสันกะเอาจังใดละ่ะเอาเอิญลูกมากนะันลูกสองคนในลูกชายเพราเอินมาเน่ยก็เลยลูกพ่อกับแม่ทีไปบวชเดชให้สุเจ้าบังข้องสมบัติเดือลูกเด้อทั้งลูกชายกัครับ กันพ่อแม่ไปปวดผมก็นดิดูแลไม่ให้เสียหายนาง น, นกพอทั้งผู้พอก็าเลยมาขีดคือ ม, มาใดหวังเอ้ะท่องข้าที่มันผุดขึ้นมาจากหลังบ้านนไงมันเป็นบุญวัสนาของไผ่สองอา ย, ยพีชไส่ก็ น, น่องไส่จะเป็นบุญวัสนาของไผ่บาดนี้ผู้พอก็เลยเอามักนั่นอะ่ะมักจอบเผ็ดต้นไปเออมักจอบเผ็ดนะ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจอบเฮ็ดว่ารึเปลเพ็ดคือมันแข็งแข็งเฮ็ดเตะไปเฮ็ดเป็นจอบว่ารึเปสําหรับขุดขุดผู้เขาท่องว่ารึไปแต่ว่าผู้พอในขุดดิ่บปลดว่ารปคือกันกับขุดดินเหนียวเนี่ยแหะใส่ตึบปลดงัดมาสี่เอาไปเทอดได้ก็ได้ว่ารึเ่ามีทางมืดว่ารึเปล่เออสี่ไฮไพก็ได้ท่องคํว่ารึเป่าเออบานนี่ก็เลยผู้พอก็เลยเอิญมาทั้งสองไอ้ว่ารึเปาไอ้ใหญ่ก็ไอ้ยน่อย เอา ต, ตั้งคิตอธิษฐานเนี่ยขันนาว่าเป็นบุญบาลมี่เป็นบุญกุศลที่ได้สั้งสมมากพอท่องข่ำเนี่เกิดมาโดยบุญเด็ดเนี่ยผู้พอมากที่มาจ้างบ้านมองนี้ท่องข่ำกับคุดขึ้นมาในหลังบ้านเน่ยของพอขันนาว่าเป็นบุญวาสนาของผู้ใดในสองพี่น้องเนี่ยให้คุดปังนโนเหมือนทั้งผู้พอกับตั้งคิตให้ลูกชายผู้ใหญ่ตั้งคิดอธิษฐานว่าๆๆพ่อตั้งคิตอธิษฐานใส่กับ ไส้กัดขุดปุ๊บลงไปปิงเล้้งลงไป เ, ปไปเด่นพางลางเลยวนลไปขุด บ, บ่อใดวนลงไปเออบัคือพอขุดวนไปทั้งผู้พอก็ได้เห็นนองไส้ผู้หน่อยอผู้น่อยขุดด้สั น, นี่ตั้งยิฐติฐานน่ะบอกเท่าเด้อสันนี่ทางนองไส้ยน้อยเนี่ยขุดจบลงไปงัดปวดคือกันก็พอขุดวนไปเอ่พ่อปานขุดดินเดียววนไปท่องขาพ่อปานขุดดินเหนียววนไป เอออันนี้คงจะเป็นบุญบา ร, รมีเป็นทรัพย์สมบัติของผู้นอนะอ้องเนอะเพราะนั้นคณะวา่าจะหมอกห้ผู้พี่นี่ท่องข้ามเลยต้องหายเนี่ยพวกเขาท่องเลยต้องอันตรธานหายแน่ๆเพราะนั้นให้น้องรักษาเนอะและไแต่เบิงเบิงให้เบิงพีเนอะให้ดูแลพีเนอะคงจะเป็นบุญของเจ้านะ่ะเอ้าพอกระแม่มอกสมบัติอันนี้ให้แกเจ้านะลูกเนอะให้ดูแล ก, กันเนอะบัตนี่พอจะไปบวชแล้วนะบัตร ผู้พ่อก็เลยไปบวชกับแม่นะผพอ่อเขไปบวชกับพระพุทธเจ้าผู้แม่เด็กไปบวชกับนา่งโคตรมี่พกจุนีวนไปก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งขู่วนไปเป็นมาจังไดบ้บานีเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นว่าบุพกรรมของสองตาแยกเนี่ยเป็นสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสองตาแยกเนี่เป็นช่างท่องวนไปอ่เป็นช่างท่องบ า, ารีนีพระพระอรหันเนี่ยพระอรหัน์ลุก สมัยข้างพระพุทธเจ้ากัจจปาไปพระพุทธในกัปนี้มิยองหาพระองค์เนี่ยกะกุสชนโธองค์หนึ่งโกณคัโนองค์หนึ่งกัจสโปองค์หนึ่งโคตโมนคือพระพุทธเจ้าของเฮ้าโคตโมนระยะเมตโยนคือพระศีอ่านมานไปพระศรีอ่านคือภาษศรีอริยะเมตไตรยมาตัดพ่ายภาคหนาในยังมีท่านมาแต่พวกเฮ้าพระโคตโมแต่ว่ากรพระโคตโมที่ก่อนมัตต์ มัตสึรุพระกรพระโคตโมนเนี่คือพระกัจโปกนะไปพระพุทธเจ้ากัจโปกกัจปานะไปกัจโปสชิธิสัมปันโนนะไปบ้านไ้เพิ่นมาตัดบุปนี่เพิ่นกับปรินีพานอายุเพื่นยืดได้สองหมืนปีเด้เมืันเป็นยุคเป็นสมัยเด้อ่าแต่พระพุทธเจ้าของห่านี่เป็นอายุร้อยปีอ่เป็นอายุไข่คนไปอันนั้นเป็นสองหมืนปีเป็นอายุไข่พอเพิ่นปรินีพานมาเนี่ยเขากับ ไปชุ่มเพ่งถวายพระเพ่งเป็นเ็ตเรียบร้อยแ ล, แล้วก็เลยสั่งประาธาตสั่สงประาธาตุกินมาแล้วบานนี่เขาอยากได้พระอบทองคอําเ น, น่เออนนั้นก็เฮ็ดมาเฮ็ดมาแต่ก็ยังขาดอยู่น่ะคงจะเป็นพระอบลายอันมั้งยังขาดอยู่พระอบทองคําเออพระหันองค์หนึง่งเพื่อเขาเลยเออเป็นกระิลี๊ยร่งเนกระเเล่งยานเบืองาวันต่อไปตาย้ายไหนไผ่จ สิเฮตพระอบหายหาท่องเข้ามาอีกเพลินก็เลยเร่งไปเห็นสองตาแยกนอนไปสองผัวเมียลานท่องเนอบอกสองผภูเมียลานท่องเนี่ยคือสิเฮตได้ได้อยู่มั้งก้งจะบ่นักหนาวสันเพลินว่าพระอรหันเพลินก็เลยเข้าไปเข้าไปเข่าไปย่อมสันเนีะยอาตมา อ, อยากได้พระธาตุมันยังขาดอยู่พระอบใส่ ปปรล่มสารีลีกธาตุของพระพุทธเจ้าของเฮายังขาดอยู่คันเอาไว้เป็นไปได้กันโยมเฉพาะเหตุดได้บพราะขันเหตุดได้กันก็นดีนะเป็นบุญเป็นกุศลอ่าเพื่อบันจุปพรล่มสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้ากัจจปะของเฮานี่แหละกลําลังสงั่งโยกําลังรวบรวมเรียนกันอยู่เรื่องพระอบพระาธาตุเนี่ยนนสองตายย่อยเพื่อนเนี่ย ในสองผัวเมียพันกําลังพิษกันโยนอ่ะเพื่อไม่พิดเรื่องใดกระโปงหัวน้ำไปบานในผู้ผัวพันเกิดกำลังเครียดให้เมียเมียกําลังบ่ให้ผัวน้นไปป่านนี้พระเข้าไปไปไปสมลงเขาอีกวันนี้กําลังบูดโยนน้ำไปทั้งผู้ผัวในก็เลยเบอกเฮ้ยมันหายากทำเตกกระดูกนั่นแหละเออออกไปล่อยนามซึมก็แล้วตอนจะพ่อหาใช้พวพระเอเฟียงว่าฉันเด้มาายุงพระนี่ปวนว่าเด้เออเกิดโมโหขึ้นบ้าเลยดาหอดผาปี อย่ามโมโหหนูไปมาฮะนี่พาเอานังพระกระจิบออกไปแล้วมันเป็นพระราหันเนี่พมันก็หูวงจักอยู่แล้วว่ามันจะต้องได้หนูไปไอ้พระงายางออกไปพอาะยางออกไปท่านนี่ทั้งผู้เมียก็บอกว่าเจ้าเนี่ยเฮ็ดดาจะไหนไปหาบอกกระพระทรงองค์ขาเจ้าเพื่อนกับแม่ว่าดีๆกระดูกพระพุทธเจ้าเจ้าจะเห็รลอย ก, ก, กระดูกพระพุทธเจ้ า, จ า, จจาน้องน้ำบาปโทษเจ้าแม่นเจ้าสีเป็นบาปเป็นกุลอกุศลแต่แทนน้าเจ้านี่เนาะ เจ้าไม่สร้างว่าถึงสี่เจ้ามันจังคิดถึงสี่มันจังเจ้าจังพูดถึงสี่ไดปัดโถกผู้ผัวก็เลยสำนึกใจว่าโอ้แมนอิลีย่างขูดมั่วโหมกับโผดไปแล้วกูเนียวท่านเอาเถอาอุ้ยจิเฮ็ดให้มันตีบัตรเนี่ท่นป๊บปั๊บเกินมากเลยเอาสร้างท่องมาเจ้าของกับเขาไปดูแลเฮ็ดย่างดีคนไปเห็ดะอบเฮ็ดยางงายอย่างง่ามอย่างใหญ่อีกต่างหาคนอไปดีอีกต่างหาคนอไป เพื่อจะแก้วามผิดเจ้าของเนี่ยเพื่อจะแก้บาปกรรมของเจ้าของมัน ม, นมนาหาเฮตุเรียบร้อยแล้วบ่ะ น, นี้ก็เลยเอาไปถวายพระนั่นแหละพระอรหันต์องค์นั่นแหล ะ, ะ, หละที่เพินดวบร่วมโยนไปบังก็เลยเอือนลูกชายใหญ่ม้ามานเนียลูกๆปะ่ะผ้าพอไปเอาท่องขําเอาพระ อ, อบท่องขําไปถวายพระเนาะที่เพนมาว่าเมเมื่อนานแล้วท่นทั้งลูกชายผู้ใหญ่เนี่ยว้าผมบอไปแล้วท่านเนี่ยผมอยากอายาเพื่อนไปหาดาพระได้เจ้าต้น หนาผมกูเห็นเลยผมจากอายเลยผมบ่กกล้าไปน้ำพ่อพอไปพอไปเองอาจารยลูกไส่ไงมันจากอายได้มันหู่จักคว่มเลยวันไปพอพอกับพอกับเมยทะเลาะกันน่ะไปด่าพระเอาหนูไปมหาลูกไส้กูน้อยเนี่ยเพราท่านจากอายได้ว่าเนูไปป่ะลูกไปน้าพ่อนะลูกเนาะอาจารยครับอาจนรย์พอครับผมไปได้พับพ่อผมไปเป็นเพื่อนอ่พอไปหอดเลยกันเห็นพระเทลละองนั้นเพิ่งกำลังรวบร่วมประอบท้องข้ามอยู่ ผู้พ่อก็เลยกราบพ่อกราบแล้วก็ยกใส่หัวอธิษฐานมันไปก็ให้ลูกใส่หน่อยยกจิตอธิษฐานน้ำการสองพ่อลูกมันไปจากนั้นเขาเลยเอาไปถวายพระอรหันต์พระอรหันต์มัก็รับให้ศีลให้พรมัไป เ, เพื่อเจบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัตสปะมัไปเสร็จแล้วก็เลยกลับมากพ่อกลับมากที น, นี้นะกระดมลงคงชีพทำมากฆ่าขาย พ่อตายขึ้นมากไปสู่สวรรค์วันหนึพ่อตกจากสวรรค์มากนี่มรเกิดมานนี้เกิดบาดใดเนี่เขาเอาลองหวยคู่เถื่อเลยวันหนึ่งไพอเกิดขึ้นมากเขาก็จับยัดไส้ตากาะกาใช่ไหมลอยแพร่เลยวันหนึ่งไปว่าเพลินว่าเฮ็ดยากอย่างกระดูกพวกพุทธเจ้าเอาไปลอยแพร่ก็ได้ต่อเอาไปลอยน้ำก็ได้เยอะจะม า, ากหนกหนุ่งยากนี่ก็เราก็กาเด็กหนุ่งยากทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นวะเพลินบอก มหาพ้นเกิดมาบา้านเอกเดได้พ่อเกิดเกิดมาเขาก็ใสตะการใสกระมังก็ร้อยน้ำน้ำคู่เธออะไรวออไปจนมาถึงขังพระพุทธเจ้าของเฮาข้าศนี่ก็ร้อยขึ้กันเดียวลงไปเกิดมาเลยกัลูกเศรษฐีบ่ยต้องการลูกวันไปเขาก็เลยหาตะกามาเลยกัพ่อขอดลูกเกิดมาก็จับยัดเทตะกากรเฮ็ดพวงมาไล่ใสจะเป็นดอกกลอยหม่งดอกกลอยไม้เฮ็ดแต่มันง่ามวันไป ให้ท่าสีไปเอาไปล่อยลองหวยเอาสันก็คงจะไปลองนองําโขงหรือลองนําซี่นำมุ้นหรือสันน่ะมัง้งบ้านนี้เด็กสาวทั้งหลายคนคนทั้งหลายไปอาบน้ำพ่อไปเห็นไงเห็นเตตะกาเนี่ยล่อยอังลางอังลางเม่าเน่ยไปเอตะกาดอกไม้หมดไปเมันอกี้ที่มันกำแล้ว ม, มันอกี้ขันเขามาหาคนหมดไปหมุนก็มาหาคนคนก็นเลยบอกโอ้ยตะกานี่ยเป็นของชันเอาสันนี่ ผูนึงว่าของในตะกาเป็นของฉันว่าไงไอ้ผัวในช่วยก็เลยเด็กหน่อยไอ้มาไม่หน่อยแล้วว่าเป็นผู้หญิงนะ่ะก็เลยผู้นึ่งในตะกาผู้นึงพระใดเด็กน่อยบันเนี้ยเอ้ก็เลยเออกมาเลี้ยงไว้นี่แหละอพอออกมาเลี้ยงไว้คือว่าพอใหญ่อายุเจ็ดปีก็เลยฝากให้พระมหากระจายชนะมหากระจายชนะที่ว่าพุ่งใหญ่ใที่หลุมรุยที่เขาเห็นนะพระมหากระจายชนะองค์นั่นแหะไอ้ให้มอบให้เป็นลูกศิษย์นะว่าไง ให้เป็นเนีนหน่อยของหลวงพ่อ่านเออเนี่ยหมหากระจายชนะก็เลยไปฝากไว้ครับบ้านค้นขายของอันออกไปจากนั้นก็เลยขายของเข้ามาพ่อใหญ่ขึ้นมาไปปลูกป่านผ<ป>ู้เขาท่องก็เลยเกิดขึ้นมาจังจันล่ะนะนี่แหละพวะลว่ากรรมกรรมคือการกระทําบอดีเอาไว้มั่นห้ผลจังจันล่ะทํากรรมดียอมได้ดีซวยยอมได้ซวย ขนาดดากระดูกพระพุทธเจ้าก็สะปะเท่านั้นเนี่ยยังได้ลองรอยในแมียนาบเจ้าว่าสักเถื่อนออกไปอแต่ว่าถึงยังได้บุญเนี่ยบุญยังขำวนออไปถึงยังได้ไกลได้ดีทุกขังนออกไปเพราะว่าในช่วงนั้นมันบวมไปที่ท่กรรมชั่วย่างเดียวเด็ดทำกรรมดีเข่าพ่อมนออไปทั้งดีกับชั่วผสมประสานกันเพราะตาพระแล้ววอกให้พระแล้วก็สํานึกได้นออกไป ก็เลยได้ทำบุญอีกคนหนึ่งเพราะทำบุญนะบุญตอนนั้นมาคำวะเนี่ยนี่แหละพลอยนันพวกเข้าในหลักของพระพุทธศาสนาพันวอยาทำกรรมชั่วกรรมชั่วจงให้ให้ผลเป็นทุกข์ขนาดด่าพระพุทธเจ้าก็จะปากในกระดูกเป็นรองน้ำหนึงสี่ยังตัวเองยังได้ลองน้ำพระเจ้าก็สักพบสักชาดลงไปอแต่ว่าได้ทำพระอบถาวายพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลอย่างมากกว่าไหม แต่ว่าผู้เขาท่องเกิดมาบนหลังบ้านเอบาหานในลูกชายบานนึงลูกชายผู้ไงบ้านนี้บอสจะไปร่วมได้เป็นบอสละอบ่สจะไปร่วมกับพอเนี้ยอยากอายย้อนลงไปพอดาพาอ้อนลงไปไหวยบไปเนี้ยผมอยากอายบาหานในเกิดมาพบนี่ชาตินี้กันเ น, นี้ย น, น่องไส้หลานนี่เนี้น่องไส้หน่อยเนี้ยเป็นผู้ไปนั่งพอเป็นผู้ร่วมไปร่วมทำบุตรนี่แหละ บุญมันเป็นโมเป็นของไผ่เด้พอถ้ำของเราเขาสู้จิตใจของผู้นั้นเป็นบุญบ ร, รมีของผู้นั้นสืบทอดไปน่านเทถาน่านผู้นั้ น, นพวกเข้ายาประมาทนะให้สร้างสมบุรณ์กุศลเอาไว้สิ่งที่ใดบ่ดียาเห็ดยาทําำพราว่าตายแล้วบ่สูญเลยตายแล้วเกิดอีกพราะพุทธเจ้าของเข้านี่เพิ่นไปพิสูจน์บิรงแล้วเพิ่นยังเบาเรื่อมโมนีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเพิ่นลึกถึงอดีตชาติผู้นี้เป็นมาจางังไดเพิ่นจีเบิงหูจักมัดอดีตชาติ ของผู้นี่แต่ละดวงวิญญาณเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วลุ่มหดอนดอนสูงสูงต่ำตอำพวกนั้นเพื่นยังโมห้ประมาฎกันอมนุษย์มานานี่ยโให้ประมาฎกันอขั้นเกิดมากเห็นเขาทุกอย่าประมาฎเขาก็พอได้พอพอเห็ุใดขึ้นกันกขาเข า, ขาล่องมองต่ำัหมืนนมอนกันเป็นอยังมันยังล่งมองต่ำเ ม, มื่อยังบุคคลมองสูงเอยบางที่ขนที่ขึ้นทงสูงได้กับมันย่างขึ้นไปมันก็ขึ้นมองสูงไปทังเที่ยง คือคืนช่วงแหละอาจจะลกต่าอีกก็ได้คนนี้ไปอี่มันเป็นสัญลักษณ์ลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ตําๆการเดินทางการเดินชีวิตของมนุษย์เนี่ยเดือดวิญญาณเนี่ยใจของมนุษย์เนี่ยใจของคนเนี่ยมันจะบวได้สัมมัมเสมอได้นี่เกิดมาโบแมนซีเสมอร์ไปโบแมนได้นี่มันมีสูงมีตม่ำลุ่มๆดอนๆในการดำลงดวงวิญญาณของพวกเฮาพล น, นั้นพลวันยังบให้ประมาทกัน ให้เกื้อกูลนุนกันให้ช่วยเหลือกันพอที่จะช่วยเหลือได้แอบวัะนั้นพัวเขา้เาตายแล้วพอสูนสรุปแล้วพราะพุทธเจ้าเพ้นหลุแล้วเห็นแล้วว่ า, าบิน ญ, ญานในใจของคนนี่ยมันเป็นจังสันมันออไปแอบวัะนั้นพัวเขา้าออกตัดหนักโยมเนะ้อให้สร้างสมบุญกุศลใส่จิตใส่ใจของเจ้าของตายแล้วบอศูนตายแล้วเกิดอีกคนไปพราะพุทธเจ้าพ้นพิสูจน์มาแล้วพอแม่ครูบาอาจารย์ของเขาก็พิสูจน์ นางพ่อว่าหน้าเบิ่งแล้วเบิ่งจิตเบิ่งใจใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าสำเร็จเราโดยใจคานว่าใจดีแล้วพูดออกไปก็ดีการกระทําออกไปก็ดีคานาว่าใจบอดีใจมันมั่วโหมคุณมัว่วอยู่ในใจเห็นหมั้ยนะเศรษฐีลานท้องจิต ใ, ใจมันคุณมัว่วในใจพูดออกไปก็พูดว่าดีพูดให้พระอรหรันยังดีโบเตพระอรหัน์อีกคนออกไปยังจุบาปกรรมกวานอาสิก มีแต่พูดที่ซิ่อนุพันธ์เนี่ว่าเหตุเพราเหตุไดเพราใจบอดีเอยใจบอดีก็ได้พูดออกไปในทางบอดีก็เป็นวจีกรรมมันนะไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันมีกิดรรมการกระทําทําไดสามทา้งกายกรรมก็คือการกระทําเนี่ยโจงไปเตะพระรหันแล้วไปเตะพระรหันไปตีพระรหันเขานันล่ะกายกรรมมันกันดาพระรหันซืดเป็นบะเอเป็นวจีกรรมมันนะไปแต่เคิดขึ้นมาเนี่ยอื่ จิตใจมันคุณมั่วจิตใจมันบริสบายจิตใจมันโกรธโมโหโทโ่โขึ้นม่าในใจอันนี้ผนว่ามโนกรรมการทํากรรมทําได้สามทางกลายกรรมมจีกรรมมโนกรรมพอหนั้นพวกเข้าให้ระวังทั้งกรรมทั้งสามทว้านีลยนะให้เป็นผู้สำล่วมระวังนะบุญกุศลจะเขาสู่จิตสู้ใจของพวกเขามีิตรความสงบพรมเย็นเป็นสุขคนะมือนีลงพอก็พูดเป็นภาษาบ้านเฮ้าเพื่อการศึกษา เพื่อแนวท่างเพื่อให้เป็นคอคิดของพวกเข้าท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปรับพรเนื้อวันนี้เนะ้อ